การต่อไปไม่ใช่เป็นรายการของการย่อยอาหารเพราะว่ายัางไม่ได้ฉันอาหารแต่เราต้องย่อยก่อนถ้าทุกวันต้องทำอย่างนี้แม้แต่โยมชยีไม่บวดถ้ามีแขกมาที่คนหน้าคนก็ต้องพูดให้ควังอยู่อย่างนี้บ่อยๆเราหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ แล้วเป็นหน้าที่เราะฉะนั้นก่อนที่จะฉันอาหารนี่เป็นการพิจารณาอาหารให้เป็นของว่างแล้วก็พิจารณาไปพิจารณาไปให้นับคำอาหารแล้วภาวนาไปด้วยอะไรด้วยอันนี้เป็นภาคบังคับส่วนภาคที่ไม่บังคับก็ให้ทำงานด้วยจิตว่าง มีงานให้ทําทุกวันส่วนมากก็เพราะว่าเรามีงานชุกตอนนี้เสียดายตามที่จริงน่าจะเอารุ่นที่สามเอาไปไว้รุ่นที่สองรุ่นที่สองมา ไ, ไว้รุ่นที่สามเราะตั้งสี่สิบหกขาดทุนในตรงนี้อากาศทุนทีนี้เรื่องต่างๆก็พูดกันทุกวัน อย่างน้อยก็จะได้ซึมซับเข้าไปเรื่องของอายุเราอย่าไปนับอายุที่มันผ่านมาแล้ว น, นั่นผ่านมาแล้วทำอะไรไม่ได้แก้ไขไม่ได้อะไรไม่ได้เราต้องนับไปข้างหน้าอที่รู้ข้างหลังก็รู้แต่ข้างหน้านี่ควรที่จะรู้อย่างยิ่งถ้าเราห้าสิบแล้ว ออย่างคุณแดงนี่ปีไหนก็ไม่รู้ปลดกเกษียณหกสิบแล้วไม่ต้องไปนับข้างหลังนับข้างหน้าข้างหน้าว่าเราจะเหลือเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะรู้ได้ฉะนั้นสิ่งที่จาเป็นที่สุดเราไม่ควรประมาทกับชีวิตนี้มันจะตายวันไหนก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้จันรอาหารก้าวไป อาหารเข้าไปจุกที่ลําคอเลือดมันเข้า ไ, ไม่ไปเลี้ยงสมองอากาศกาดอากาศห า, า, ายใจสามสี่นาทีไปแล้วไปประมาทอะไรดัะนั้นเราประมาทไม่ได้กับชีวิตนี้นี่เรื่องของชีวิตเช่นว่าเรื่องของพระพรหมอย่างนี้ พระพรมนี่จะเสกอะไรเสกเสกเสก เ, กเกมีหน้าที่เสกพระพรมพระวิศวะพระอะไรเนี่ยมีหน้าที่เสกมีหน้าที่รักษามีหน้าที่ทําลายของพราหมณเขาทีนี้บางเรื่องของเขาก็ดีเช่นว่าเสกข้อก้อนดินก้อนหินมาเสกเสกให้เป็นคนเสกเป็นคน พอเจเป็นคนคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรพระพรมก็เลยบอกว่าเจ้านี่เป็นคนงี่ยเราต้องเข้าใจว่าคนกับมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนกันมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงแต่คนยังเละเทอะอยู่ด้วยกิเลสตัณหาเจ่านี้คนที่พระเจ้าเสด ก็ไม่รู้จักตัวเองก็ถามพระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นใครก็เลยผู้เสกบอกเจ้าเป็นคนมีอายุเท่าไหร่หาอายุสามสิบปีเห็นไหมถ้าสามสิบแล้วก็พอดูได้ไม่ว่าผู้ผหญิงผู้ชายสามสิบแล้วก็ดูได้ตายเลย3ามสิบไปแล้วต้องอัดตรงนั้นตรงปอกตรงนี้ ตรงตาตรงโน้นเนี่ยมันเลยถามเกบไปแล้วนี่เป็นเพราะอะไรเนี่ยเพราะไม่อยากแก่ผู้หญิงก็ไม่อยากแก่ผู้ชายก็ไม่อยากแก่พอเห็นแก่แนละ้วก็มีความทุกข์แทนที่จะปรงสังขานโอ้นี่แก่มันอย่างนี้เองนี่ทีนี้ก้าวไปยึดติดกับความแก่ของกูเป็นทุกข์แล้วก็เลยต้องไปผ่าตัดต้องไปเย็บต้องไปอะไรกัน นั่นน่ยไม่อยากแก่นั่นเนี่ยคือความทุกข์นี้ไม่พ้นแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะพ้นพ้นจากความแก่พ้นจากความเจ็บพ้นจากความตายพ้นได้หมดเลยถ้าเราปฏิบัติธรรมและเรามีธรรมะถ้าเราเห็นว่านี่มันเป็นธรรมชาติความแก่ก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึง่งอเราก็ปรับปรุงมันไปอะไรมันไป แต่แล้วไม่หลงมันไม่ยึดมัน่นเือมันว่ามันเป็นตัวกูไม่ใช่ตัวกูแล้วก็ไม่ใช่ของกูฉะนั้นความแก่ความหนุ่มความสาวก็ไม่ใช่ของกูธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราจะต้องศึกษาทีนี้จิตที่เราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ฝึกว่าความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าผู้ใดเอาเราเป็นกัญยานามิตรผู้นั้นก็จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายสสปัจจ ร, ร, รีเมื่อกี้หลวงพ่อว่าใครเนี่ยจาหน้าได้จำหน้าได้เพราะอะไรบางทีก็ทำผมอย่างหนึ่งบางทีก็ตาคิ้วตาปาก็หลวงพ่อก็าจำไม่ได้เคลับกลายคลับกลา ไม่กล้าพูดอ้าวจ่อจ่อประชดเองนี่เนี่ยคือมันเรามันก็เปลี่ยนทีนี้เขาก็เปลี่ยนทุกวันวันละหลายหลายครั้งเนี่ ย, ย่านั้นแก่ว่ามันแก่ไปเถอะแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยเราก็ทําไปตามธรรมชาติเพื่อเข้าสังคมแต่เราอย่าไปเป็นทุกข์กับมันความแก่มันเยี่ยมเรา ความเจ็บความตายมันเข้ามาเยี่ยมเรานี่มันอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยเราต้องศึกษาต้องปฏิบัติธรรมชาติคือพระธรรมพระธรรมคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือพระธรรมให้จิตนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติให้เข้าใจว่าธรรมชาติหยุดนิ่งไม่ได้ธรรมชาตินี่เดี๋ยวเราก็ กินข้าไปเดี๋ยวกดดื่มข้าไปข้าวไปซ่อมแซมธรรมชาติหยุดนิ่งไม่ได้ซ่อมแซมแล้วมันก็ออกไปซ่อมแซมแล้วก็ออกไปหยุดนิ่งไม่ได้ธรรมชาติแต่เราไปโกงมันเราไปโกงธรรมชาติว่านี่เนื้อตัวของเราเนื้อหนังของเราหน้าตาของเราเราพูดภาษาคนได้แต่ภาษาธรรมชาติมันไม่ได้ มันเป็นไปตามเรื่องของธรรมชาติความแก่เออแก่มันก็อย่างนี้เองนี่หรือความแก่เราก็ศึกษาความแก่พอศึกษาความแก่เอ้าอย่าไปยึดมั่นถือมันมันดิมันแก่ก็แก่ไว้มึงอยากจะแก่ก็แก่กูก็ทาแป้งทาปูนให้มึงเพื่อจะเข้าสังคมแต่ว่ากูไม่แก่กูแก่ได้อย่างไงเอาตัวกูนั่นออกไปเสียเอาคําว่ากูนั่นออกไปเสีย คือความรู้สึกความรู้สึกตัวนั้นเลเอาออกไปเสียพอเอาออกไปเสียความเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บความตายก็ไม่ต้องมีตายเมื่ อ, อไรพร้อมที่จะรับอยู่เสมอนี่เกิดชีวิตฉานั้นคนที่ไม่รู้จักตัวเองก็คือไม่รู้จักชีวิตไม่รู้จักว่าชีวิตคืออะไรอย่างนั้นคนคนนี้ที่พระ อพระพรมก็เสกขึ้นมาแต่อ้าข้าพเจ้าเป็นอะไรอแกเป็นคนแต่มีหน้าที่อะไรนมีหน้าที่อะไรนี่มีอายุเท่าไหร่ข้าเจ้าก็บอกว่ามีอายุสามสิบไปไปนั่งตรงนู้นทีนี้พอเสกคนขึ้นมาแล้วต่อว่าเออคนมันต้องทํามาากินนี่เจ๊วัวขึ้นมา เ, เราไม่มีเทคโนโลยีเมื่อก่อน ัวไวไตไนนาหว่นข้าวทำนากินนะเฮียวกวัวก็ถามว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่อะไรแกมีหน้าที่ในการในชาวบ้านเขาฝึกฝึกรากเกวียนกุึกไไนาแล้ว อ, อ, อายุเท่าไหร่สามสิบโอตายอย่างนี้ตายก็เลยพระเจ้าขอลดยอนได้ไหมเราก็ได้ ขอสิบปีพอเห็นไหมหัวจะเกินสิบปีไปก็ไม่มากหรอกขอสิบปีที่นี่คนนี่มันเกิดความโลภขึ้นมาแล้วเพราะตัวกูของกูนั่นแหละเกิดความโลภขึ้นมาเอา้าพระเจ้ายี่สิบหัวไม่เอาแล้วขอได้ไหมพระเจ้าเออเอาไปบวกกัาไปที่ห้าสิบแล้ว ทีนี้ห้าสิบแล้วสามสิบยี่สิบกว่าแต่งงานกว่าจะถึงห้าสิบแต่งงานแต่แล้วมีลูกมีลูกก็ต้องแบกแอกแบกเต๋ทีนี้นั่นแหละหัวแล้วชีวิตวัวในตอนนั้นแหละแบกแอกแบกเต๋เดี๋ยวหน้าที่การงานเดี๋ยวลูกกล้าเติมลูกเดี๋ยวข้าวปอนตรงไอ้นั่ น, นอันนี้อนโน้สารพัดนั่นแหละสามสิบถึงห้าสิบ ต้องแบกแอกแบกถอยกันอา้ามีทรัพย์สมบัติกันอะไรกันยึดมั่นถือมั่นไอ้นั่นของกูไอ้นี่ของกูไอ้นู้นของกูเอ้มันต้องมีคนคว้ากันอย่างนี้อไม่เหมือนสมนัยนี้พระเจ้าเลยเสกก็มาเอกเจกอะไรเสกลิงขึ้นมาโอ้เสกลิงขึ้นมาโอ้เจกอา่าก่อไปเจก เสกหมาสุนัข ก, กันแน่เสกหมาขึ้นมาจะได้ว้าวทรัพสมบัติหมาก็ถามว่าพระเจ้าแล้วจะให้ชีวิตของข้าพระเจ้าเท่าไหร่เธอก็ห้าสิบนั่นแหละเอาสามสิบนั่นแหละสุนัขแล้วมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ดูแลทรัพสมบัติกลางค่ำกลางคืนเธอไม่ต้องนอนนะต้องข้าวอยู่หน้าว่ง ก้าอยู่ในบริเวณรั้วนี้โอ้ตายไม่ต้องหลับต้องนอนขอสิบปีพอนั่นไปไไปไ ป, ไปนั่งตรงโน้นไปนั่งตรง้นงคนก็ขออีกคอาะโอ้นหมาไม่เอาแล้วของหมาที่เหลือนะ่ะผมขอเธอเอาไปเอาไปนอนห้าสิบแล้วก็เป็นเจ็ดสิบบัวก็ไปเจ็ดสิบ พอเจ็ดสิบทีนี้เออคนมันมีแต่เรื่องตัวกูของกูเด้วมันก็เป็นโรคประสาทกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะอย่างเนี้ยเมือ่อไหร่มันจะได้หัวเราะกันสักทีเซกให้เป็นลิงขึ้นมาลิงก็ถามว่าข้าพระเจ้าเป็นอะไ ร, ระเจ้าเป็นลิงมีหน้าที่ในการที่ออกลิงให้เขาหัวเราะนาน ว่าอย่างนั้นจะเป็นโรคประสาทตายแล้วถ้าอายุเท่าไหร่พระเจ้าสามสิบโอตายอย่างนี้ไม่ไหวก็ขอลดเหลือสิบยี่สิบไม่เอานี่ยอย่านั้นยี่สิบนั้นคนก็ข้าไปเอาเองขอเองอของวัวยี่สิบของตัวเองสามสิบของวัวยี่สิบเป็นห้าสิบ ห้นี่ของตุนักอีกยี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบของลิงอีกยี่สิบเก้าสิบพอเก้าสิบเป็นยังไงทีนี้คืออายุของัวอายุของหมาอายุของลิงนี่เอาไปจากนั้นเลยก็ต้องออกลิงกันอยู่อย่างนั้นเห็นไหมนี่คืออายุฉานั้นอายุนี่ เราศึกษาธรรมะเราต้องรู้อายุคืออะไรไวัยนี่คืออะไรคําว่าวัยนี่วัยยะวยะวัยแปลว่าเสื่อมไปสิ้นไปมันสิ้นไปทุกๆเสี้ยววินาทีะคําว่าวัยทีนี้อายุเราไปนับว่าอายุเท่านั้นปีเท่านี้ปีเแถวนู้นปีฉันอายุเท่านัานนานนาน้นแล้วทีนี้เราก็มาพิสูจน์ อ, อายุเนี่ยมันคืออะไร อ๋อมันคือเวลาเวลามันมาจากไหนอ๋อในเมื่อโลกมันหมุนเก้าหาดวงอาทิตย์ก็เป็นกลางวันสิบสองชั่วโมงแต่มันหันหลังให้เป็นกลางคืนสิบสองชั่วโมงยี่บสี่ชั่วโมงแล้วเวลามันมาจากอะไรอ้าวก็เพราะโลกมันหมุนตามที่จริงเวลาจริงๆมันไม่มีเลยมันไม่มีเลยเวลาจริงๆรทีนี้เป็นยังไงการปฏิบัติธรรม เรามีกิจที่อยู่เหนือเวลาเพราะเวลาก็ไม่ใช่ของจริงเมื่อเวลาไม่ใช่ของจริงในโลกนี้เป็นของจริงน้อยโลกนี้ก็ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงทางนั้นเลยสมมติทางนั้นเลยนี่เราอย่าไปหลงอะไรเลยสมมติของสมมติทางนั้นโลกนี้มันเกิดขึ้นมาได้มันอยู่ได้อะไรได้ เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันเกิดตามธรรมชาติแล้วก็สลายไปตามธรรมชาติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนี่เมื่อเรามีจิตมีพอจิตไม่ได้ฝึกก็เลยจิตที่ไม่ได้ฝึกนั่นแหละมันยังเป็นจิตเถือนอยู่มันก็เลยเข้าไปยึดมั่นเถอะมันว่าจิตนี้เป็นกูนี่ ตามที่จริงคือธรรมชาติจิตนี่คือธรรมชาติตอนแรกน่ะมันใสสะอาดจิตใสสะอาดขาวสะอาดแต่เสร็จแล้วมันค่อยๆยึดมั่นเข้าไปยึดมั่นเข้าไปยึดมั่นเข้าไปมันเลยมืดมนหมดจิตนี่แหละพอมืดมนแล้วมันเกิดอะไรโมหะความโง่เกิดความโง่ยิ่งยึดมั่นถือมันน่ยยิ่งเกิดความโง่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยึดมั่นถือมันอย่างเดียว เอายึดมั่นถือมันอย่างเดียวนี่จิตจิตเองมันเป็นธรรมชาติเตียว่าธรรมชาติรู้ธรรมชาติรู้รู้อะไรก็รู้ตัวมันเองนั่นจิตน่ะต้องรู้ตัวมันเองถ้ามันไม่รู้ตัวมันเองมันก็ยึดมั่นถือมันอันนั้นอันนี้อันโน้นตัวมันเองน่ยหนักแล้วไปเอาสิ่งอื่นเข้ามาอีกมันก็หนัก ดังนั้นเราต้องทําจิตนี้แหละให้มันสะอาดเห็นพอเห็นข้าวในบาตเนี่ยข้าวในบาตรนี่อาหารกับข้าวในบาตพิจารณาพิจารณา น, านี่มันมาจากอะไรมันมาเป็นอะไรและต่อไปมันเป็นอะไรนี่เราก็รู้ตีไปรู้ที่มามันเราก็เลิกความยึดมัน่นเดิมมันมันน้ามาจากไหนอืม น้ำมาจากไหนเนี่ยเราคิดว่าน้ําก่อนน้ําประปาโนนบาดาลโนนไม่ใช่มันก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละน้ําก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้เราฉี่ออกไปเป็นฉี่เราเป็นน้ํำเป็นน้ํามันก็เป็นไอยเป็นไอยเป็นเมฆเป็นเมฆก็เป็นฝนเป็นฝนตกลงมาเป็นน้ําก็น้ํานั่นแหละที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเป็นเลือดเป็นอะไรนี่น้ำโมกน้ําลายน้ําเหงือน้ําใคร น้ำทางนั้นมันหมุนอยู่อย่างนี้หมุนอยู่อางนี้นะี่คือธรรมชาติการนั้นที่เนื้อตัวของเราในมีแต่ธรรมชาติดินเอ่ยน้ําเอ่ยลมเอ่ยอยเอ่ยธรรมชาติทางนั้นธรรมชาติทางนั้นที่มันหมุนอยู่อย่างนี้หมุนอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรหยุดนิ่งหยุดนิ่งก็คือตายอก็คือตายแต่เสร็จแล้วเราปฏิบัติสมาธิให้จิตของเรานิ่งตอนแรก ไอ้จิตของเรานิ่งนิ่งมันก็จะเกิดพลังพอเกิดพลังขึ้นมาเรายกพลังจิตที่นิ่งเนี่ยขึ้นโชสัสมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องอ น, นิจจังคืออะไรทุกขังคืออะไรอนัตตาคืออะไรนี่ไม่ตรงไปเงี้มันยากไห้ยากจนเลยเถิดไปอ น, นิจจังคืออะไรตัวเราเองก็ไหลเรื่อยจิตก็ไหลเรื่อยอารมณ์ต่างๆก็ไหลเรื่อย ธรรมชาติมันไหลทีนี้เราทําจิตได้นิ่งควานิ่งไหลนี่มันคืิอะไรอ๋อทุกอย่างไม่มีอะไรจริงอานิจจังอานิจจังอานิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงไม่เที่ยงทางนั้นคือไม่หยุดนิ่งไหลทางนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรธรรมชาติไหลธรรมชาติหยุดนิ่งไม่ได้แต่โลกนี้หยุดนิ่งอ๋อ ฝ่ายอเมริกายุโรปหนาวตายบ้านเราฝ่อยไม้หมดไม่มีอะไรเหลือนี่คือความหยุดนิ่งแต่เราทําจิตให้หยุดนิ่งทําจิตในจิตให้หยุดนิ่งเรียกว่าสมาธิยกจิตขึ้นสู่ปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาแล้วเราก็ดูว่าโอ้ทุกอย่างนี่ธรรมชาติธรรมชาติมันหยุดนิ่งไม่ได้มันต้องไปอย่างนี้แหละ จนกว่ามันหมดเกลียวมนุษย์เลยเป็นอย่างนั้นทีนี้้ความหนุ่งความสาวคืออะไรธรรมชาติความแก่คืออะไรธรรมชาติความเจ็บคืออะไรธรรมชาติความตายเกิด อ, อะไรคือธรรมชาติเราทําจิตของเราไว้บริสุทธิ์ไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรทางนั้นแต่เราพูดกับปากว่าอันนั้นของเราอันนี้ของกูอันโน้นของฉันภาษาคนแต่ภาษาธรรมะ ยึดอะไรไม่ได้เลยยึดอะไรไม่ได้เลยนี่เพราะมันไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเืล่อ ย, ยเราอาศัยปัจจัยสี่อาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคธรรมชาติทังนั้นทีนี้ถ้าเราทาลายธรรมชาติโอายไม่ตกเลยเป็นยังไงแล้วฝนเป็นยังไงแล้วฝน แล้วใครทำลายธรรมชาติาพวกพี่อยู่ในโลกนี่แหละทำลายธรรมชาติจนธรรมชาติผันปวนหมดเห็นไหมนี่เพราะเราไม่รู้จักธรรมชาติไม่รู้จักธรรมชาติก็ไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองก็ไม่รู้จักจิตของตัวเองว่าจิตนี่คืออะไรจิตก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งคือตัวความรู้สึกความรู้สึกตัวนี้เมื่อเราไม่ฝึก ให้มันขาวเหมือนกับหัวที่หินโค้งนะ่ะก็เปรียบว้วหั ว, ห ว, หวนั้นเป็นจิตตอนแรกมันก็ดำปิดปีพอต่อมาเราก็ฝึกึกฝึกึก ก, ก, ก, กจนมันขาวสะอาดแล้วก็กลายเป็นก้อนเมฆไปเป็นอะไรไปนั่นหัวหัวจิตฉะนั้นเราต้องทำจิตโดยการคุกจิตวกวดจิตก็คือ ทำสมาธิตอนแรกมก็จะหยุดแก่สมาธินะถ้าเอาแก่สมาธิมันมีพลังพลังพลังพลังมันมีพลังนะแต่ใช้พลังในทางที่ผิดไม่ไม่ไม่ไมชื่อว่าสมาสมาธิแล้วเป็นมิจฉาสมาธิแล้วไปยุดติดอที่เป็นฌานยุดติดพอยุดติดเออยโยมดอกบัวคู่หลวงพ่อขอ ยืมเงินจากร้อยกว่าล้านเอาไปซื้อเครื่องบินเจ็ตนะเพราะว่าจิตก็มีพลังทีนี้ไอ้พลังนะั้นเนี่ยค่อยๆเชื่อมเๆือมเืมเือแล้วก็จบอ่ะก็จบจบมีอะไรไปนั่งตาแจ่วอยู่ในคุกไอ้ทีนี้เห็นไหมนั่นแหละทำพิษชาญ น, นั่นแหละทำพิษทีนี้เรายกชานนี่ยสู่ญาณ ญาณแปลว่าตัวรู้คือสัมมาทิฏฐินั่นแหละยอโยมชีน้องคุณแดงก็คงจะรู้จักดีด็อเตอร์สนองเมื่อหลวงพ่อไปบรรยายที่ของหมอหมอดุลยานะ่ะกะ็ก็มีกุฏิให้พักก็ไปพักที่นั่นพระก็ไปพักที่นั้นกันทางนั้นพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็นั่งกับด็อเตอร์ฉนองนี่ี่มามาไปนั่งในห้อง ลองคนดีกว่าก็อบอกว่า น, นี่รู้ไหมหลวงปู่หลวงปู่เน้นคำติดจานรู้ไห ม, มโ อ, อ, อ้หลวงพ่อหลวงปู่เน้นคำนี่กระดูก ข, ขาวแล้วหมอออกส เ, เอกสเลมา เ, เป็นพระอรหันแล้วนั่นรู้ไหมนั่นเพราะว่าติดจานกัน พอติดฌานฌานมันเสื่อมพ้อเสื่อมมันก็จบไงจบก็เป็นอนันตนะรองคนนี้เอวังก็มีด้วยประกาศหลักใจนี้จบไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรหรอกแต่หลวงพ่อแนะนทางให้แล้วนี่นะแล้วเยอะที่ติดฌานกันนี้เยอะได้ฌานแล้วก็มีลาบมียศมีสนเสิญมีความทุกข์หลงนะทีนี้หลงแต่นั่นพวกที่ปฏิบัติแล้วไปหลงฌานไม่ได้ จิตจะเป็นฌานหรือไม่เป็นฌานไม่เป็นไรให้เป็นสมามิก็แล้วกันยกขึ้นสู่สัมมาทิฏให้เห็นอนิจจังพิจารณาอนิจจังคืออะไรไม่ต้องดูข้างนอกตาดูข้างนอกก็โน้อมก็หมาข้างในรู้ข้างในก็จะรู้ข้างนอกนี่ใบไม้จากใบหนึ่งแล้วก็รู้ได้เลยโอ้เราก็คือใบไม้ใบไม้ก็คือเราเราอายุกลางคนแล้วเราอายุดังห น, นุ่มดังสาว อ๋อใบไม้นี่ก็เหมือนเรานั่นแหละแต่ตอนนี้มันแก่แล้วมันก็ร่วงลงมาจากต้นอ่ะมันก็เรานั่นแหละนี่ฉะนั้นเราต้องรู้จักน้อมธรรมชาติเข้ามาหาตัวแล้วเราก็จะต้องจิตนี้จะต้องฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นฉลาดขึ้ น, น, นพิจารณาแล้วก็ทำใความทุกข์ของตัวเองเบาบางลงแล้วเราก็มีหน้าที่สองอย่างหนึ่งทำหน้าที่ของตัวเองสอง ช่วยเหลือผู้อื่นนี่เท่านี้แหละมันมีเท่านี้แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านี่วิกรูทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ามีความประมาทอย่าประมาทจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดแค่นั้นพระองค์กหุบปากเงียบดับทันทีจบเกิดง่ายธรรมชาติแต่ว่าเกิดง่าก่อนแล้ว ผู้ที่เป็นพระราหันเขาคืน่ายก่อนแล้วคืน่ายธรรมชาติหมดแล้วไม่ต้องการอะไรแล้วผู้ที่เป็นพระรหันแต่นี่เรายังกินยังอยู่ยังใชแล้วก็ทําไปแต่ว่าจิตนี่คืนให้ธรรมชาติเดียก่อนถ้าจิตเป็นธรรมชาติเห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดให้เราก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นนี่หลวงพ่อทําถนนยังไม่ทันเสร็จเลยตอนเย็นๆคนก็จะมาเดินเด็กๆ มาเดินมาวิ่งกันเพราะว่าทางทิดเหนือเห็นปูเขาเห็นทุ่งนาเห็นอะไรเขาหิห้วธรรมชาติหิห้ธรรมชาติเขาไม่รู้จักธรรมชาติวัดที่บ้านเขาก็มีธรรมชาติแต่พอขึ้นมาเปลี่ยนเห็นธรรมชาติอารมณ์มันก็เปลี่ยนพออารมณ์เปลี่ยนมันทาให้สบายโลง่งนั่นแหละ พอปีใหม่ทำไมเดี๋ยวก็ไปเชียงใหม่เี๋ยก็ไปเชียงร้ายเี๋ก็ไปเมืองนอกเมืองนาการก็หิวธรรมชาติก็ไม่รู้จิตนี้แหละมันหิวธรรมชาตินีฉะนั้นเราปฏิบัติให้จิตเป็นธรรมชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบธรรมชาติแล้วความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีสําหรับเราแล้วทุกขมันจะมาจากไห น, นเพราะเราเลิกความยึดมัน่นถือมันให้หมด มันก็จบตามจิตได้เป็นธรรมชาติเสียก่อนใครอยากจะศึกษาอยากจะมาปฏิบัติ2องวันสามวันห้าวันได้ทีนี้เปิดกว้างเปิดกว้างเฉพาะคนฉลาดแต่คนโง่นี้เหนื่อยแล้วหลวงพ่อเพราะถ้าคนโง่เหนื่อยเขาก็ควังไม่ถูกควังถูกแต่ภาษาคนภาษาธรรมะธรรมชาติเนี่ยควังไม่ถูกะฉะนั้นขออญาตโยมไป ขยันในการปฏิบัติถ้าโยมจะตรวจมนัลอาลยามักในองค์แปดอย่าลืมอริยามักมนองค์แปดธรรมาทิตติธรรมาสังกปรธรรมาวาจาธรรมากัมมันโตธรรมาจีโวธรรมาวายาโมธรรมา ส, ส, มาสมาติธัรมาธรรมทิแล้วก็มีแปรด้วยใกลไม่มีมาเกาะหลวงพ่อนังเือ น, นี้ของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธทาสนี่คือทางเดินของเราทุกคน นอกนั้นเป็นทางเดินของปะยะญามานทางนั้นเลยขอไปนั้นว่าวันนี้ขอจบว่าไว้เพียงเท่านี้ขอความจุขควาเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ผู้กระยันหมั่นเปลี่ยนจงทุกทุกท่านเดิน